มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรวันชนะปัญหาถามเป็นสำนวนให้พิศวงเพื่อจะทดลองชวนะของพระนาเกษณ ในวงเล็บถามเป็นครั้งแรกอัทโขกาเลในการนั้นแท้จริงอายสมานาคาเสโนพระนาคาเษนผู้มีอายุนั่งอยู่ในที่ใดพระยามิลลินก็เข้าสู่สถานที่นั้นอุปสรงกมิตรวาครั้นเข้าไปใกล้แล้วบอกพิเจ้าจึงกล่าวซึ่งสัมโมทนียกถาควรจะระลึกสิ้นการช้านานนิสิธิ แล้วก็ทรงนิสัชนาการนั่งในที่สมควรข้างหนึ่งฝ่ายพระนาคเษนผู้มีอายุก็สนทนาด้วยถ้อยคำเป็นที่ยังจิตแห่งพระยามิลินให้ชื่นชมโสมนัสปะสันนาการสมเด็จบรมกษัตริย์พระเจ้ามิลินจึงทรงปุจฉาซึ่งอัฏฐปัญหาเป็นประถมว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้จำเลิศสมุลละเปตุกาโม โยมนี้ปรารถนาจะใครเจราจาด้วยพระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเษน จ, จึงว่ามหาราชดูกระบอพิษผู้ประเสริฐบอบพิจงเจราจาไปเถิดอัตมาภาพก็ปรารถนาจะใครฟังพระยามิลินจึงมีพระวาจา ว, ว่าสมุลลปิโตสุนาหิข้าพระเจ้าเจราจาแล้วพระผู้เป็นเจ้ า, าจงฟังเอาเถิดพระนาเคเษน จ, จึงว่า สุโนมิอัตมาภาพฟังแล้วพระยามิลินจิงว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าฟังแล้วได้ยินอย่างไรพระนาเคเกษณจิงว่าก็บพิษว่าเจรจาแล้วนั้นเจรจาอย่างไรเล่าพระยามิลินจิงว่าข้าพเจ้าจะถามพระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเกษณจิงว่าปุชชะมหาราชตูกระบบพิษ พระองค์จะถามก็ถามเถิดปุชิตังพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าถามแล้วสุวิสัตชิตังมหาราชะดูกะระบอพิษผู้ประเสริฐอัตมาก็วิสัชนาแล้วกิงวิสัตชิโตพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอย่างไรกิงปุชิโตก็บอพิษถามอัตมาภาพอย่างไรเล่าเอวังวุตเต ในเมื่อพระยามิลินและพระนาคเษนปุตชาวิสัชนากันดังนี้แล้วชาวโยนกห้าร้อก็พากันให้สาธุการแก่พระนาคเษนแล้วจึงกราบทูลแก่พระยามิลินว่ามหาราชข้าแต่สมเด็จบรมบพิษผู้ประเสริฐขอเชิญพระองค์ทรงปุจชาซึ่งอัถปัญหาแก่พระนาคเษนต่อไปในการบัดนี้จบวันชนะปัญหา